คนชอบทอดกระถินเนาะทอดกระถินนะทอดที่ไหนก็ได้นะก่อนทอดกระถินมาฟังธทมก่อนหลวงพ่อเน้นงานหลักของหลวงพ่อเลยนะในชีวิตนี้ที่ตั้งใจคือจะรักษาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือ ถ่ายทอดธรรมะเข้ามาสู่ใจของพวกเราให้ได้ไม่มีที่ไหนที่จะเก็บรักษาธรรมมไว้ได้เหมือนที่ในใจของพวกเราถ้าใจของเรามีธรรมมแล้วเรื่องอื่นๆมันตามมาเองอย่างบางที่เขาแข่งกันสร้างวัตถุสร้างโบสถ์หรูหราอะไรเงี้ยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ย สร้างโนนสร้างนี้ก็ดีเหมือนกันเรีย น, นาศาสนวัตถุแต่ถ้าวันที่แผ่นดินไม่มีชาวพุทธมันเป็นวัตถุที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีคนเลี้ยงแล่มีคนเหยียบย่ําซะอีกนี่หลวงพ่อไปอินเดียมานะเห็นแผ่นดินที่เคยมีพระพุทธศาสนายังร่มเย็นยั่งยืนกว้างใหญ่ไพศาล มีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยพอหมดชาวพุทธก็ไม่มีคนรักษาคนศาสนาอื่นเขาก็มาลื้อเจดีรื้ออะไรเอาก้อนอิดไปใช้ไปเจอพระบรมสารีริกธาตุเขาก็เอาไปลอยน้ำอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เหยียบย่ำนะเขาเชื่อว่าคนตายต้องเอากระดูกไปทิ้งน้ำเ <c oughs> งินถ้าเรา มุ่งไปที่ตัววัตถุถึงวันที่แผ่นดินไม่มีชาวพุทธนะวัตถุก็ถูกย่ํำยียสิ่งที่หลวงพ่อใฝ่ฝันนะปรารถนาที่สุดก็คือพวกเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่แค่ว่าถึงเทศกาลก็ามาทําบุญถึงเวลาทอดกรถินก็ามาทอดกรถินนะต้องทอดให้ได้เก้าวัดเลยนะ จะได้เห็งๆหง่คำว่าเหงๆหเนี่ยไม่มีในสาะระบบที่พระพุทธเจ้าสอนเลยคำว่าเห่งคำว่าสวยเนี่ยไม่มีนะมันมีแต่คำว่ากรรมเพราะฉพวกเราต้องมาเรียนธรรมะนะแต่ละคนนะไม่รู้ตัวหรอกว่ามีความสำคัญเวลานี้ศาสนาพุทธแทบจะไม่เหลืออยู่ละเรื่พงพาไปที่ขยะ เห็นชาวพุทธนานาชาติเลยเขามาไหว้พระมาสวดมนต์นะเสียงดังๆเชื่อแจ้กกันนะไม่มีสติหรอกหาคนที่จะเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะหาไม่ได้นะเมื่อเป็นพุทธด้วยชื่อเท่านั้นด้วยความเชื่อว่าเป็นพุทธแต่เนื้อหาสาระของความเป็นพุทธนะั้นไม่ค่อยจะมีหรอกหายากมากเลย ทั้งคนไทยทั้งคนชาวพุทธต่างชาตินะเหมือนเหมือนกันก็ไปทําบุญไปสวดมนต์ไปอะไรงั้นทำทา น, น, นเนื้อแท้ของคาสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยมันไม่มีคนเหลียวแลเท่าไหร่หรอกพวกเราทุกคนเลยมีความสำคัญในวันที่ชาวพุทธขาดแคลนแล้วเนี่ยพวกเราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ได้อย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะ เราต้องเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเราก็ต้องถ่ายทอดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิออกไปสู่คนอื่นเราอย่ายอมเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะอย่างน้อยต้องถ่ายทอดธรรมะออกไปให้ได้ถ้าคนเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาต้องตอบเขาให้ถูกามาสัมมาทิฏฐิ คือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาปราศจากสมาทิทฐิอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วถึงจะมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาไม่มีเหลือแต่ก้อนอิดก้อนหินคนอื่นเขาก็มาเหยียบย่ำทาลายเาเงี้ยการปลูกฝังสมาทิทฐิทนะเป็นงานใหญ่ คนแรกที่พวกเราต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เขานะก็คือตัวเราเองเมื่อตัวเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนี่ก็พยายามถ่ายทอดสัมมาทิฏฐินีออกไปตามความรู sure? h h د, ้ความสามารถของแต่ละคนเมื่อวานก็มีเมื่อวันสองวันนี้ก็มีพระมาถามว่าจะสอนได้ไหมหรือโยมถามจำไม่ได้แล้วบอกสอนได้แต่สอนตามที่เราเข้าใจจริงๆนะ ตามที่เราแม่นจริงๆสอนมั่วๆไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีเหตุมีผลรองรับนะฟิตเปรี้ยเลยไม่มีที่กระดิกเลยไม่มีที่โต้แย้งได้เลยไม่ใช่เรื่องนึกๆเอาเองนะไึ่ต้องเรียนให้แม่นๆนะอย่างบอกว่าถ้าเรารักษาศีลเป็นนะเราก็สอนคนอื่นให้รักษาศีลคนรอบๆตัวเรา ต้องรู้จักรักษาศีล น, นะการรักษาศีลที่ดีเบื้องต้นต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอากุศลหอย่างทางกายทางวาจาศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทาผิดทางกายทางวาจา5อย่างนั่นแหละศีลห้า น, นั่นแหละพอแล้วละแล้วถ้าตรงนี้ยังรู้สึกยากนะก็พัฒนาการ รักษาศีลขึ้นไปรักษาที่กายที่วาจายากมารักษาที่ใจให้มีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโทสะเกิดที่จิตใจคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจกิเลสจะครอบงําจิตใจไม่ได้ อย่างทันทีที่รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะดับอัตโนมัตินะเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อ น, นั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อ น, นั้นไม่มีสติเห้นพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรักษาศีลบางคนหัวเราะนะมาสอนเรื่องสติทำไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลวงพ่อคําเขียนเคยพูดให้หลวงพ่อฟังเมืนะ่อท่านไปนเทศที่แห่งหนึ่งนะเทศเสร็จท่านสอนให้มีสตินี่แหละ ประเทเสร็จนะั้นคนก็มาว่าท่านว่าทําไมท่านไม่สอนต่ำลําดับทําไมไม่สอนเรื่องการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาท่านหัวเราะนะตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งนะนอนอยู่ลุกไม่ขึ้นนะ่ะท่านเล่าตรงนี้ให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านหัวเราะบอกว่าเขาก็ถูกของเขาเนาะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของพวกเราถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ สติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกแลื้อสติถึงเป็นธรรมมีอุปการะมากจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติที่วิเศษที่สุดนัคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ถ้าสติอื่นๆเนื้อสติกระจอกงอกง่อยสติโลกโลกสติที่วิเศษมากเลยคือสติปัฏฐานร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก อย่างกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้สึกเนี่ยกิเลสจะคร่อบงําจิตไม่ได้เพื่อกิเลสคร่อบงําจิตไม่ได้ศีลอนตโนมัติจะเกิดขึ้นคนทําผิดศีลก็เพราะกิเลสครอบงําจิตอย่างโทสะครอบงําจิตนั้นก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปแกล้งรักทรัพย์เขาทําลายทรัพย์สินเค้าไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาไปกล่าวร้ายโจมตีเขาหรือไปแกล้งยกย่องสารเสริญให้เขาเสียผู้เสียคนนี่ทำด้วยโทสะก็ได้นะ ไม่ใช่เป็นต้องไปด่าเขานะแต่ว่ามันเป็นมุสาวาสเหมือนกันมันพูดโดยเจตนาร้ายนะหรือโทสะครอบงาจิตมีความเศร้าโศกขึ้นมา้ไปกินเหล้าเมายานะราคาครอบงําจิตก็ทําทผิดศีลห้าได้ทุกข้ออีกแหละนะราคาครอบงําจิตก็ไปประทุษร้ายเขานะเพื่อจะชิงทรัพย์เขาอนะไรเงี้ยไปยักยอกไปขโมยเขาปล้นปล้อนหลอกลวงเขานะไปผิดลูกผิดเมียเขา โกหกหลอกลวงนะหรือเวลาราคาเกิดขึ้นจิตใจมีความสุขกะดีกระดามีความสุขเร่งชวนกันไปกินเหล้าเมายานะมีความทุกข์ก็กินเหล้านะมีความสุขก็กินเหล้ามีความทุกข์ก็มีโทสะมีความสุขก็มีราคานะแทรกเข้ามาเสมอเลยคนทําผิดศีลห้าได้เพราะกิเลสครอบงําจิตตัวเดียวเท่านี้เอง ถ้าเรามีสติเรารู้ทันกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่ใจเราทำไมจะรู้ไม่ได้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหูดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราลาเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเอง งั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนะี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทําได้แต่ละเลยที่จะทําเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกเ่เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป งั้นพวกเราพยายามมามีสตินะมีสติระลึกรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจเราคอยรู้เนี่ยเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างนี้เราลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วเห็นผลนะถ้าใครเข้ามาถามเราว่ารักษาศีลอย่างไงจะดีเราก็บอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้นะหรือการฝึกสมาธิก็เหมือนกันหลวงพ่อจำจีจาชัยเรื่องสมาธิมากนะจนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าอย่าทำสมาธิ สมัยก่อนหลวงพ่อบอกบางคนว่าอย่าเพิ่งทำสมาธิเพราะว่าทำสมาธิผิดชนิดแล้วไปติดโมหะสมาธิติดมิจฉาสมาธิสมาธิชนิดนั้นทําให้เนิ่นช้าสมาธิมันมีตั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทาให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิต ถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยนะอย่างศีลสิกขาเราก็เรียนแล้วนะหลวงพ่อบรรยายให้ฟังแล้ววิธีรักษาศีลนะตั้งใจไว้ก่อนเนต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันนะแค่นี้แหละศีลมันก็มาลนะ ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดล้นี้ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่ชนิดที่หนึ่งจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทําคนาศาสนาอื่นก็ทำแล้วนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทํา เมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อจะเวณไปตามสำนักปฏิบัติต่างๆพบคนทําสมาธินี่นับจำนวนไม่ท้วนเลยส่วนใหญ่ก็คือทําสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละถ้าขยับมือก็เพ่งมือรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็เพ่งเท้าหรือไม่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายสมาธิที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารามาณูปนิชาน ใช้ทำสมถะกรรมฐานได้เท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นด้วยขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะอารามนูปนิชานใช้ทำสมถะกรรมฐานเท่านั้นหรือไม่ก็ใช้เพื่อจะอยู่กับโลกใช้ทํางานทางโลกสมาธิที่แสนวิเศษเนี่ยชื่อว่าลักขณูปนิชานเป็นสมาธิที่อาภัพนะีสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่มีคนเรียนไม่มีคนรักษาสืบทอดเท่าไหร่หรอกหายากที่สุดเลย หลวงพ่อทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมครูบาอาจารย์นะถึงขนาดเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะหลวงปู่สิมพุทธาจารโอถ้ำผาปล่องเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้คนไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรคําว่าผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตตัวพุทโธนั่นเองจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง จิตที่ทรงสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้แหละคือจิตที่ใช้ทาวิปัสสนากรรมฐานใช้เจริญปัญญาแล้วก็ใช้มันเป็นสมาธินะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเนี่ยจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรกด้วยเกิดในขณะที่เกิดอริยผลด้วยงั้นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเนี่ยนะจะอยู่ตรงที่ไหนบ้าง อยู่ในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานในขั้นเจริญปัญญาอยู่ในขณะแห่งอริยมากอยู่ในขณะแห่งอริยผลและพระอริยะบุคคลเวลาจะเข้าผลสมบัติผลสมบัติเนี่ยจะเกิดจิตที่เป็นแบบขณะที่เกิดอริยผลเนะีเกิดซ้ําๆๆๆเป็นจํานวนมากในขณะที่เกิดอริยมากเกิดอริยผลนั้นจะเกิดผลและจิตนะสองสาขณะเท่านั้นแต่เวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนนะท่านจะทำพระสมบัติ จะเกิดพลัจิตตัวนี้นะซ้ ำ, ซ, ำซ้ำเนี่ยนับจานวนไม่ท้วนเลยเป็นแสนแสนล้า น, ล, านล้านดวงต่อกันไปเงื้นตัวจิตตัวสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่เป็นสมาธิชั้นเลิศซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังถ้าเราไม่สามารถปลูกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไม่สามารถสร้างลักขนูปนิชานขึ้นมาได้เราเดินปัญญาไม่ได้จริงเราจะต้องพยายามฝึก ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบาลมีลักขณูปนิชฌานให้ได้วิธีฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานทําได้สองอย่างหนึ่งทำฌานที่ถูกต้องนะทำสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าเป็นโมหะสมาธิมิจฉาสมาธิจะไม่มีลักขณูปนิชฌานทําสมาธิอย่างถูกต้องนะคือทําแล้วไม่ขาดสติหายใจไปด้วยความมีสตินะจนกทั่งลมหายใจนะัดตื่นขึ้นตื่นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้ น, น, น provide. ลมหายใจหยุดกลายเป็นแสงสว่าง ลมหายใจเป็นแสงสว่างเนี่ยตัวแสงสว่างตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวแสงสว่างเรียกว่าอุกหานิมิตมีจิตเนื้อตรึกมีจิตตรองอยู่ในแสงสว่างนะจดจ่ออยู่กับแสงสว่างจนกระทั่งมันคล้ายๆมันควบคุมได้กําหนดจิตให้สว่างกว้างขวางไปก็ได้นะย่อแสงสว่างลงมาให้เหลือนิดเดียวก็ได้นะเนี่ยฝึกจนชํานาญอย่างนี้ได้ปฏิภาคนิมิต ตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยนี่ว่าได้อุปจาระสมาธิพวกเราบางคนจะไปนั่งแล้วเคลิม้มเคลิ้มแล้วบอกว่าได้อุปจาระสมาธินะไม่ใช่อุปจาระนะอุปจาระสมาธิไม่ขาดสติเลยนะแล้วถ้าสมาธิที่ถูกต้องนะกระทั่งเข้าอารูปปัจจานนะเข้าถึงอรูปปัจจานโลกธาตุดับนะเหลือจิตดวงเดียวกับสตินะไม่ขาดสติเลยนะ และสติเนี่ยจำเป็นมากเลยถ้าขาดสติเมื่อไรจะเป็นสมาธิเหลวไหลทันทีเลยจะเป็นโมหะสมาธิจะเป็นมิจฉาสมาธิไปทันทีเลยแม้ความมีสตินี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากน ะ, ะพวกเราให้มีสติอาศัยสติแล้วพัฒนาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นนี่พอได้ปฏิภาคนิมิดนะจิตมีมิตกคือการตรึกอยู่ในดวงปฏิภา มีวิจารจิตเคล้าเคลียอยู่กับดวงปฏิภาคโดยไม่ต้องน้อมใจมันไปเองแล้วมันอยู่ของมันเองแล้วนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นตามาอาศัยสติรู้ทันว่าจิตยังเข้าไปตึกไปตรองอยู่ในดวงปฏิภาคทันทีที่รู้ว่าจิตเข้าไปเกาะที่ดวงปฏิภาคเข้าไปจับอยู่ที่ดวงปฏิภาคเข้าไปเคล้าเคลียที่ดวงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างนะั้น การเข้าไปเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่าง น, นั้นจะทวนกระแสกลับเข้ามาที่จิตนะงั้นเมื่อละวิตกวิจารณ์ได้เมื่อละการตรึกถึงดวงปฏิภาคนิมิตเมื่อละวิจารณ์คือการที่จิตเขาเคลียร์อยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยจิตจะทวนกระแสเข้ามาหาจิตแล้วจิตจะตั้งมั่นเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอโกทิภาวะขึ้นตัวเอโกทิภาวะนี่แหละก็คือตัวสมาธิแท้นะสมาธิชนิดที่เป็นลักขณูปนิชฌาน ตรงนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะจะอธิบายไม่ได้เลยทําไมในตำลานะก็จะพูดถึงว่าในฌานที่สองเนี่ยมีเอโกทิภาวะในพระใจปิดกจะพูดคําว่าเอโกทิภาวะเลยเวลาอธิบายเขาบอกว่าคือสมาธิทําไมมาพูดเรื่องสมาธิสมาธิมีมาตั้งแต่คณิกะสมาธิใช่หไหมอุปจาราสมาธิปฐมฌานมันก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วทําไมมันจะมีอะไรเป็นสมาธิขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ ถ้าเรียนปริยัติเฉยๆอธิบายไม่ได้นะถ้าเราภาวนาเราถึงรู้ว่าเมื่อจิตละการตรึกการตรองในดวงปฏิภาคนิมิตแล้วนะัจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะงั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฌานที่สองเป็นต้นไปนะพอออกจากฌานมาแล้วนะตัวรู้เนี่ยจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันเท่านั้นนะจะเสื่อมต้องทําใหม่นี่เป็นวิธีสร้างตัว สมาธิชนิดตั้งมั่นสําหรับคนซึ่งเข้าฌานได้แต่ถ้าพวกเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้หลักเดียวกันตัวจิตที่ตั้งมั่นมีลักคนูปนิฌา น, เ, นเกิดเมื่อมันละวิตกวิจารณได้นะเราก็คอยรู้ทันอาศัยสตินี่แหละรู้ทันเวลาจิตมันมีวิตกมันตรึกมันตรองในอารมณ์ทั้งหลายจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้จิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้พุโทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้หายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ ดูท้องพองยุคไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ตรงที่รู้ถึงจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตัดการเคลื่อนออกนะแล้วความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนีจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่อธิบายจนละเอียดมากแล้วนะไม่ยากเลยที่เอาไปทำนะ งั้นครูบาจารย์หลายองค์เลยหลวงปู่ดูลจะสอนเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเห็นไหมไม่ได้ห้ามคิดนะเพียงแต่คิดแล้วรู้ทันว่ามันคิดนะตัวรู้ก็จะเกิดหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้หลวงพ่อเทียนก็สอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้น นั้นจิตรู้เกิดได้ด้วยสองวิธีนะวิธีที่1ถ้าเต็มรูปแบบเลยเต็มสักสีเลยเข้าฌานจนถึงฌานที่สองแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นวิธีที่สองถ้าคนเข้าฌานไม่ได้อาศัยทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทํากรรมฐานขึ้นมาเพื่อน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ท้องผ่องยุบ แต่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อเริ่มจากการหายใจนะหายใจเจอทั้งลมมันตื้นนะกลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนียลมทีแรกจะยาวนะวหายใจไปเรื่อยพอจิตสงบลมจะตื้นเจอทั้งลมมันหยุดกลายเป็นแสงแล้วจากแสงเนียไม่ได้ไปเพ่งใส่แสงนะ จิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันนะอยู่ที่แสงสว่างนี้จิตเคลื่อนเรารู้ทันในสุดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและมัเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเป็นหลักนะจิตมันมาเป็นตัวผู้รู้นี่เองนะงั้นพวกเราต้องมาหัดให้ได้จิตที่เป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาไม่งั้นเราไม่มีทางหรอกกี่ปีกี่ชาตินะไปนั่งสมาธิให้ขางอกรากนะก้นงอกรากนะก็ไม่ได้มรรคผลหรอก นั่งสมาธิไปเรื่อยๆไม่ทําให้ได้มรรคผลหรอกถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดมรรคผลนิพพานนะหรือสีชีพรายบรรลุ ก, ก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะมันต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตคําว่าจิตคืออะไรคําว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้อารมณ์อย่างตาเรามองเห็นรูปรูปเนี่ยเป็นอารมณ์ ที่รู้ด้วยทางตาจิตไปรู้อารมณ์ไปรู้รูปโดยผ่านตาจิตไปได้ยินเสียงเสียงเป็นอารมณ์ของจิตจิตได้ยินเสียงผ่านทางหูจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกผ่านทางใจสิ่งใดที่ถูกจิตรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์เมื่อจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็มีสองชนิดสมาธิชนิดที่1จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์สมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชานใช้ทําสมถกรรมฐานถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชานใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะเมื่อจิตของเรารู้ตัวขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาอย่างหลวงพ่อ บ, บอกว่าตื่นตื่นนะเรียกว่าจิตตื่นบ้างจิตถึงฐานบ้างจิตตั้งมั่นบ้างมีหลายสำนวนอันนั้นก็คือจิตที่ได้ลักขณูปนิชานขึ้นมา รักขณูปณิชานเนี่ยสามารถเข้าชานหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดได้นะอารมณูปณิชานก็เข้าชานหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เหมือนกันแต่มันเข้ากันคนละที่อันหนึ่งตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันหนึ่งตั้งอยู่ที่อารมณ์ถ้าตั้งอยู่ที่อารมณ์มันก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ไปแช่อยู่ที่อารมณ์ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้ามันตั้งอยู่ที่จิตแมันจะเห็นอารมณ์ทุกอย่างเกิดดับจิตเป็นแค่คนดูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่เรามาฝึก ให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะด้วยการรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ทำเพื่อน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนั้นพุโทโธก็ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธแต่ว่าพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งจิตให้ว่าง รู้ลมหายใจแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนะรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันตรงที่จิตเพ่งในจิตก็เคลื่อนเหมือนกันแต่เคลื่อนไปที่อารมณ์นะกลายเป็นอารมณนูปนิชานตรงที่หนีไปคิดเนะี่ยฟุ้งซ่านเพราะนั้นความสุดโต่งเลยมีสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งฟุ้งไปเลยนะฝั่งหนึ่งไปเพ่งอยู่ในลมันเดียวบังคับตัวเองให้ลำบากอยู่นะบังคับกายบังคับใจตัวเองอยู่ ทางสายกลางก็คือจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นช่องของทางสายกลางนะพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะออกจากวังมางานแรกที่ท่านไปทำก็คือไปหาฤาษีฝึกนั่งสมาธิก็เหมือนที่พวกเราคิดนั่นแหละคิดแต่ว่าเมื่อจะปฏิบัติทำสิ่งแรกที่ต้องทำคือนั่งสมาธิคิดเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละ แต่ชายชายสิทธ า, ทาบารมีเต็มไปนั่งสมาธิไม่กี่วันเลยได้ฌานสูงสุดของอารามณูปนิชานได้ฌานแปดของอารามณูปนิชานแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางหรอกท่านก็ไปทรมานกายนะแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางในที่สุดท่านก็นึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยได้เมื่อตอนสามขวบสมาธิที่จิตตั้งมั่นหายใจไปแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาท่านกลับมาทําสมาธิตัวนี้นท่านเข้าสู่ทางสายกลางได้ เมื่อเข้ามาสู่ทางสายกลางจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะชื่อปัญญาสิกขาการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงการพัฒนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละถ้าเรายังมาไม่ถึงสัมมาทิฏฐิเราไม่ใช่ชาวพุทธนะยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นเปลือกเท่านั้นเป็นพวกแอบอ้างว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นพวกที่อยากจะเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่ใช่ชาวพุทธเลยยังจะเป็นคนที่ยังต้อง ยังไม่จัดเป็นนักศึกษาด้วยคําว่าเสภาบุคคลนะนักศึกษาในความหมายของพระพุทธเจ้าคือพระโสดาบันขึ้นไปพวกเรายังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ใช่นักศึกษาเลยยังเป็นเด็กอนุบาลบ้างเด็กประถมบ้างเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายบ้างแล้วแต่ชั้นแต่ภูมิของเรางั้นเรามาฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นแล้วต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกเข้าใจถูก ความรู้ถูกเข้าใจถูกมีเป็นขั้นขั้นไปนะปัญญามีเป็นขั้นขั้นหลายขั้นปัญญาเบื้องต้นความรู้ถูกเข้าใจถูกเบื้องต้นคือรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมก็เป็นแค่รูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมก็เป็นแค่นามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราจะเห็นความจริงอันนี้ได้ด้วยการเห็นเพราะนั้นโสดาปติมมัคเนี่ยเกิดด้วยทัศนะด้วยการเห็น นะงั้นเรามีหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละไม่ต้องทําอะไรหรอกนะไม่ต้องไปนั่งคิดนะบางคนก็นั่งสมาธิออกจากสมาธิคิดพิจารณาร่างกายบอกว่าทําวิปัสสนาเนี่ยครูบาอาจารย์ฟันธงเลยนะว่าไม่ใช่วิปัสสนาหลวงปู่เทสกบอกว่าตัวนี้เป็นสมถะหลวงพ่อพุธก็เคยบอกหลวงปู่ดุลก็บอกนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะาตรงที่คิดเอาว่าวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดคิดมันคือวิตกวิปัสสนาปัสน า, าว่าเห็น ต้องเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเป็นวิปัสนาจะเห็นได้ต้องจิตตั้งมั่นซะก่อนท่านถึงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องสมาธิถูกต้องเลยนะถึงจะทําให้ปัญญาเกิดได้เมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะเรามีสตินะเรา ร, รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกาย มีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจนะทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางใจมีสุขทุกข์แล้วมีเฉยๆกันนะมีอุเบกขายกัน อันนี้มีสติไปรู้เวทนานะจิตเป็นคนดูก็จะเห็นเลยว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตที่เป็นคนดูก็เป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเหมือนกันะดูกายก็เห็นว่ากายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูเวทนาก็เห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ดูจิตก็เห็นจิตไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปดูไปจนจิตยอมรับวันที่จิตยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อมตะธาต่อมตะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดก็ดับทั้งสิ้นอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะเนี่ยเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งนะเป็นพระโสดาบันนะ พระโสดาบันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะนี่ขั้นต้นพวกเรายังมาไม่ถึงเลยนะอย่าปวดเก่งบางคนปวดเก่งมากเลยกูรู้หมดทุกอย่างเลยจริงๆกูไม่รู้อะไรเลยนั่นต้องดูของจริงไปจนจิตมันยอมรับความจริงนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงกระแสธรรมจริงๆต่อไปก็ภาวนาเหมือนเดิมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเหมือนเดิมนี่แหละจิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนดูนะดูกายดูใจทํางานต่อไป ปัญญามันจะแก่รอบขึ้นแต่เดิมมันเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั้นไม่ใช่เราหรอกเป็นของที่เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปปัญญาที่แก่กล้าขึ้นจะพบว่าของที่เกิดอยู่นั้นแหละคือตัวทุกข์รูปธรรมทั้งหลายนั้นเป็นตัวทุกข์ร่างกายของเรานี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยอย่างพวกเราไม่เห็นเมื่อเราเห็นแต่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่เคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุก เนี่ยคนที่ท่านใช้คําว่าคนเข่านะเห็นว่าของที่เป็นเป็นทุกข์อ่ะนึกว่าเป็นสุขพอทุกข์น้อยลงแล้วบอกว่าเป็นสุขแล้วนะผู้มีปัญญาเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเมื่อไร่เราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะมันจะขึ้นไปสู่ภูมิธรรมของพระนาคามีพระนาคามีจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วท่านมีความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทั้งหลายนื่เป็นสิ่งที่เนื่องกับกายนั่นแหละ ความทุกข์จะเกิดขึ้นที่จิตพระนาคามีจะเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นภูมิธรรมระดับกลางนะยังเข้าใจผิดอยู่นิดๆนะถ้าภาวนาต่อไปนะท่านแจ้งขึ้นมาว่าตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์แจมแจ้งในกองขันนะขันตัวสุดท้ายที่จะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์ก็คือจิตเห็นยากที่สุดว่าจิตเป็นตัวทุกข์ กายเป็นตัวทุกข์นี่เห็นง่ายแต่จิตเป็นตัวทุกข์เห็นยากกว่ากันเยอะเลยต้องภาวนาจนมันเห็นแจ่มแจ้งนะว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตเองก็บังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้นะจิตหมดความยึดถือจิตแล้วจิตหมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วนะอั น, นั้นเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์เมือนถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะ เราก็จะหมดความยึดถือเรียกว่าละสมุ ท, ทยัยนะถ้าหมดความยึดถือในรูปประธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะแจ้งพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปประธรรมนามธรรมไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งดิน้นรนของจิตเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากความยึดทั้งหลายทั้งปวงพระนิพพานมีอยู่แล้วพระนิพพานไม่เคยหายไปไหนนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็น เราเ้าเลยไม่เห็นนั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทําให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาดเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับลาดับอย่างที่บอกนะมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้ แต่พระรยะบุคคลเวลาจะพักผ่อนท่านจะทำสมาธิชนิดที่รู้อยู่ที่จิตนะเป็นผลสมาบัติจะรู้อยู่ที่จิตไม่ลงไปอยู่ที่อารมณ์ไม่จําเป็นแต่จะให้อยู่กับอารมณ์ท่านก็อยู่ได้นะเพราะเคยอยู่มาก่อนเมืนะ่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทํางานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไร่เห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกประเภทนั่งภาวนาน้อมจิตไปให้ว่างๆแล้วมีแต่ความสุขไอ้นั่นมันมิจฉาทิฐิแท้ๆเลยนะน้อมจิตให้นิง่งให้ว่างมันมิจฉาทิฐิพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมูทยัยอัตโนมัติละความอยากความยึดทั้งหลายถ้าละสมูทัยได้จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานอัตโนมัติเลยในขณะที่รู้ทุกข์ละสมูทยัยแจ้งพนิพพานในขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคขึ้นนะ นั้ทุกสมูทัยนิโรธมากนะเราทํางานต่อทุกสมูทัยนิโรธมากเสร็จในขณะจิตเดียวกันนะในขณะเดียวเลยไม่ใช่หลายขณะเลยนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะแสนจะอัศจรรย์นนะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังท่านสอนมาเราไม่มีทางหาได้ด้วยตัวเองเป็นไปได้ยังไงจะรู้ทุกพร้อมๆกับละสมูทัยพร้อมๆกับแจ้งนิโรธพร้อมๆกับเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวกันนะทําได้ยังไงแค่รู้ทุกอย่างเดียวยังยากเลยใช่ไหม แต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลําดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทํางานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิดศีล ส, สมาธิปัญญามันพอนะอริยมรรคก็เกิดไม่มีใครทําอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองนะ มีสูตรอยู่อันหนึ่งนะพระสูตรอาจจายิกสูตรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าชาวนามีหน้าที่สมอย่างคือไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วไปควบคุมระดับน้ําน้ํามากก็เอาออกน้ําน้อยเอาเข้าแล้วข้าวออกรวงของข้าวเองภิสูจนทั้งหลายไม่สามารถทําอริยามากให้เกิดได้พิสูจน์ทั้งหลายมีหน้าที่สมอย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วอริยามากจะเกิดขึ้นเองเหมือนที่ต้นข้าวออกรวงด้วยตัวเองนะ เพ้นถ้าใครบอกว่าทําให้มรรคผลเกิดได้โกหกนะแต่ว่าต้องทําศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาต้องอาศัยสตินะคาสติแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิอะไรไปหมดเลยนะเอาไปทานข้าว